จดหมายก่อนนอนฉบับ 5 การสร้างอนาคตๆแต่แสงแดดอุ่นยามเช้าแสงอาทิตย์อุ่นยามเช้าก็ แม่อดีตที่ผ่านมาถึงอดีตของแม่อดีตที่ผ่านมาและไม่มีวันที่แม่จะๆอย่างแปลกจริงนะเมื่อ เพื่อลูกจะได้รู้วิธีสร้างอนาคตให้งดงามต่อไปเพราะอดีตเป็นข้อมูลสําคัญ บางคนยังคิดกันอีกว่าคนยังคิดกันอีกว่าชีวิตเป็นเรื่องของพรหมลิขิตพระพร การเหมือนกินข้าวอนาคตทําแทนกันไม่อนาคตเป็นของไม่แน่นอนเหมือนกินข้าวอาบน้ําเราต้องทํา ยิ่งทํากับธรรมดาพ่อแม่ทุกคนฝากอนาคตไว้กับลูกพ่อแม่จึงพยายามสร้างอนาคตให้ลูกโดยเริ่มต้นที่การอบรมเรายิ่งต้องมีกฎเกณฑ์ไว้จริตนิสัยใจคอกิริยามารยาท ทั้งแง่ดีและแง่เสียเพื่อให้เค้าเปรียบเทียบได้เอง พ่อแม่จึงไม่ควรกลัวลูกจะลําบากเพราะคนความสะดวกสบายต่างหากที่ทําลายคนมามากต่อมากลูกจะเห็นว่า เหตุการณ์บางอย่างทดลองเองลิ้มรถเองเราไม่อาจอธิบายให้ผิดในครั้งแรกด้วยคำ ถ้าเขาก็จะมีอนาคตที่ดีคนส่วนใครจะชอบอะไรก็เป็นเรื่องของแต่ละคนในภายหลังแผนชีวิตที่ดี ความไร้ทราบไร้งานก็ทำลายอนาคตความไร้เกียรติคือมีชื่อเสียงไม่ยศความภาคภูมิ ว่ามีรากแก้วของชีวิตที่สิ่งที่ควรคุยวันนี้คงที่แม่พูดว่าต้อง มิฉะนั้นเราจะผิดพลาดไปหมดในที่สุดกว่าจะรู้ตัวว่าผิดพลาดก็สายเกินไป แล้วแม่เชื่อว่ามีกําลังมี 4 อย่างคือ 1 อนาคตทาง 2 อนาคตในการประกอบอาชีพใน 3 อนาคตของครอบครัว การดํารงวงสกุลให้มีความสุข 4 อนาคตของประเทศชาติให้มีความสงบสุขร่ม สละถึงการเสสละเพื่อประเทศชาติพื้นแผ่นดินนี้แม่ได้เขียนเรื่องสําคัญ ความสุขในครอบครัวสุขขอให้ลูกถือว่าครอบครัวและความสงบสุขร่มเย็น ให้คิดเสมอถ้าดังจะไม่มีความสุขเลยดีมั่นคงตะเด่นจากดวงใจของแม่